ถ้าเราดูตามดวกายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอๆแล้วมันจะเห็นอาการของจิตที่มันคิดที่มันวิ่งที่มันขอบแฝงจะเห็นอาการกายเห็นอาการใจที่มันดิ้นรนนะนะก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเราก็จะดูกายเห็นไปเรื่อยๆตามดูกายเรื่อยๆมันจะเห็นจิตจิตที่มันคิดจิตที่มันปรุงแต่งจิตที่มันพอใจไม่พอใจเวลากรบแต่ละครั้งมันเป็นยางไร เช่นวันนี้ยอาตมาเห็นญาโยมที่ไฟพระมีเป็นปวบุติเหตุเกิดขึ้นพระเนี่ยพอเกิดขึ้นตกลงพอท่านมาเห็นแล้วก็โยมเนี่ยตกใจด้วยก็อยากจะไปดูแต่อาตมาก็บอกว่าให้ขับไปดูใจดูอาการที่เกิดขึ้นจากใจขนาดนั้นอะ่ะมันเป็นอย่างไรถ้าเราเอาจิตไปดูกายตรงนั้นปุ๊บเนี่ยใจของนั้นมันก็จะหยุดอารมณ์ขนั้นมันจะหยุดอาตมาก็มองบอกบอกโยมวันเนี้ยแต่ เพาอา จ, จมามีประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงก็แค่นั้นเองว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทางกายพวกแหนะเธอทางจิตมันต้องเราต้องหยุดหยุดดูดูอะไรดูอาการที่เกิดขึ้นจากจิตแต่เราไม่เป็นผู้เป็นกำมันแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่จุดนี้ได้เราต้องตามดูกายที่เคลื่อนไหวสัมผัสพลิกมือก็ให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆตามเหตุรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ต้องพิจอะไรมากไม่ต้องเอาอะไรมากรู้ระวางรู้ระวางรู้ระวางแค่นั้นเอง แต่มันจะมีอาการที่เห็นกายที่เห็นกายที่ไปกายที่มาเนี้ยมันจะเห็นอาการกายที่ว่ามันจะมีความรู้สึกกายกระเพื่อมแต่ละครั้งหนึ่งสัมผัสแต่ละครั้งหนึ่งมันจะเห็นอาการกายที่เคลื่อนไหวเดินแต่ละครั้งนี้มันจะมีตัวทุบเยีมทุบเยียมทุบเยี่ยมอยู่กับกายตลอดอันเนี้ยมันถ้าเห็นตัวนี้พวกเนี้ยถ้าเรามีจิตใจไปเห็นตัวอาการที่กายที่เคลื่อนไหวผมเขาเรียกว่ากิตมันติดอยู่ที่กาย จิตเดยียวที่กายเป็นเป็นปกติกายจิตที่มันกายกับใจมันรวมกันเป็นหนึ่งไม่ใช่จิตรวมกันเป็นหนึ่งกายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเออคลตาเพราะว่าพุทธเจ้าท่านสอนอธรรมาอเตมาพอพอเข้าใจอยู่ตรงนี้ิดหนึ่งว่าท่านบอกว่าให้กายที่เคลื่อนให้กายกับใจอยู่รวมกันเท่านั้นถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐาน กายเคลื่อนไหวใจรู้กายเป็นคนทําใจก็เป็นคนรู้ขณะที่มันอยู่ร่วมกันได้เมื่อไหร่ตอนแรกๆมันกอาจจะไม่อยู่ร่วมกันแต่มันก็อยู่ร่วมมันอยู่ใกล้กันแต่ถ้าเราจะเดินตัวที่กายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยตามดูกายอยู่ตลอดตลอดตลอดเนี่ยมันจะเห็นพอมันเป็นสมาธิพวกเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่เป็นพวกเคลื่อนเองเคลื่อน เคลื่อนรู้พร้อมๆกันกต่ไปกันพร้อมๆกันเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นเอกขตาคิดรวมกันเป็นหนึ่งกายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งถ้ากายเบียดเบียนใจแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันใจไปเบียดเบียนกายแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรมตัวปัจจุบันคือขณะขณะขณะแค่นั้นเองแต่ตัวเนี้เพราะอาจมาก็เห็นจะอยู่กับความตัวเนี้อยู่บ่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไร ก็เห the so wow. so ็นแต่อาการที่เป็นเคลื่อนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาตลอดพอมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเราเขารู้ตามดูกายแต่มันไม่อยู่ในแค่นี้แต่เราแค่รู้ว่ากายที่เคลื่อนไหวไปมาแต่มันจะอารมณ์จะเกิดขึ้นบางครั้งจะเป็นเกิดอดีตมั่งอนาคตมั่งบางครั้งอดีตเกิดขึ้นถึงที่พอใจมันก็มีไม่พอใจก็มีอาการเหล่านั้นถ้าเราดูมันจะเกิดขึ้นปั๊บเราเห็นอาการในจิตเกิดขึ้น เราตั้งพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะดูถ้ามันชิดมันจะชิดไปทางไหนมันพอใจไหมอาการเกิดจากทางจิตพอเกิดทางจิตถ้ามันคิดไปดูดูเกิดขึ้นพอมันเห็นขึ้นปุ๊บเนี่ยมันพอใจไม่พอใจแต่ถ้าไปดูความพอใจพบเราก็จะดูว่าความพอใจแต่อาการพอใจเป็นอย่างไรถ้าเกิดการพบทางใจพบอาการกายแค่เกิดขึ้นล้ อาการกายเนี่ยถ้าเราให้พอใจพวยเจ็นใจมันก็จะหายใจไม่ค่อยคล่องละแต่เราจะไม่ไปดูอาการที่พอใจละกลับมาดูอาการที่กายที่มันเกิดขึ้นโดยเป็นปัจจุบันนขณะแต่อายการที่เกิดขึ้นจากจิตมันเป็นอารมณ์ตแต่อาการจริจงก็คือมันไปรับอารมณ์กายเนี่ยมันจะเห็นอาการใจดิน้นดุ๊ดๆๆๆด ด, ดเราเอาสติมาจับตัวเนี้ยอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นจากจิตที่ไม่พอใจมันก็จะหายไปพอมันหายไปเสร็จเราก็จะไม่มีที่ไปแล้วก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัว กิดความรู้สึกตัวปุ๊บท่ามันก็บทบทางกายอย่างหนักเก็บปวดแน่นทนไม่ไหวมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราต้องถอยกลับมาอยู่อาการที่จิตที่มันคิดเข้าไปปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งถ้าจิตไม่มีพลานปรุงแต่งเข้าไปดูจิตอย่าไปดูอาการกายถ้าดูอาการกายเสร็จเมื่อไหร่นี่จิตมันจะไปปรุงแต่งกันว่าปวดเก็บปวดมากขึ้นสองเท่าตัวให้เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกอาการจิตที่มันไปปรุงแต่ง อาการที่จิตมันกระทบขึ้นมามันจะไปปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งให้เห็นดูตัวนั้นอาการตัวนั้นทุ๊บเนี่ยมันก็จะอารมณ์ทางกายมันก็จะเริ่มเบาลงมันจะไม่แรงคือยา้ยายโยกย้ายจิตออกไม่อยากจะให้ไปอยู่ในอารมณ์นั้นๆจิตมันก็จะลดอารมณ์กายมันก็จะลดความปวดลงนิดหน่อยนิดหน่อยทีละนิดทีละนิ ด, นดมันก็จะจางหายไปพอมันหมดตัวนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวที่มือที่เท้าที่ สัมผัสอยู่ตลอดที่เราถ้าเดินยงกมุมก็อยู่ที่เท้าขณะที่เดินยงกมมอยู่ที่เท้าเนี่ยเราไม่ต้องไปอยู่ที่เท้าอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่กายสัมผัสทางกายที่ชัดกว่าที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเราก็ต้องกลับมาดูทั้งให้มันรู้เท่าทันอาการที่การที่สัมผัสทางกายแต่อันไหนมันชัดเจนมากที่สุดก็จุดนั้นแหละคือจิตสติมันจะจับตรงนั้นพอจิตมันรับรู้เราก็รู้ตามมันรู้เห็นเป็นความเป็นจริงแค่นั้นเองรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วาง ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปอยู่ไม่มีอะไรไประยุทธ์แต่มันก็เห็นก็เฉยก็วางเฉยวางเฉยวางเฉยแค่แค่นั้นแต่มันก็จะมีความโล่งความเบาสบายเกิดขึ้นกายก็สบายใจก็สบายก็เป็นอิสระธรรมะคือธรรมชาติต้องเข้าใจตัวเองตัวเองคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะเข้าสู่สภาวะธรรมเห็นใจเห็นธรรมเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราก่อน อาการของกายของเราเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกายของเราเป็นมีอะไรมั่งมีเก็บปวดเมื่อยล้าสภาวธรรมชาติของเขามันว่าเป็นอย่างนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเราเนี่ยอย่างเช่นเรายกมือเนี่ยเราเป็นคนที่จัดดิบเร็วเราจะมาช้ามันก็อึดอัดใช่ไหมมันก็ต้องเอาความพอดีของตัวเองก่อนเราต้องดูเราต้องเห็นตัวเองก่อนเห็นว่าเรายกมือเร็วช้าแต่จัดดของเร็วขจัดดิของเรานคนเร็วแต่เราจะไปช้า จิตมันก็เริ่มอืดอัดพอมันอืดอัดพวกเนี่ยมันก็จะมีอุบายออกถ้ามันมันอืดอัดเกิดขึ้นทางกายพวกเนี่ยมันจะปวดต้นคอปวดต้นคอชามึนรักหัวสมองตรงเนี้ยมันจะเทื่ออาการเหล่านี้มันจะบอกบอกว่ามันไม่ไม่สมดุลหร่างกายของเราไม่สมดุลเราวางแใจไม่ถูกต้องไม่สมดุลละแต่เราไม่ยอมบางคนก็จะไม่ยอมดูมัน เขาิดว่าเออใช่ต้องทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยความปวดความนั้นคือเป็นเวทนาที่อาการกายไม่สมดุลละถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับมาเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เป็นวางใจใหม่เพราะว่าเพราะว่าเกิดเวทนาเกิดขึ้นทางกายทีเนี้ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าสภาวะที่เรามีอยู่ตั้งใจอยู่เนี่ยมันไม่สมดุลกันละถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยเราจะหาคมหาความสมดุลมันให้ใหม่กลับมาอยู่ที่กายวางใจใหม่แล้วก็ยกมือใหม่ พอยกมือใหม่เสร็จเนี่ยมันมีความโล่งความปร่งความเบาสบายนั่นแหละก็ทําไปเรื่อยสักพักหนึ่งมันเป็นอีกเราก็หาใหม่อีกหาให ม, าม่เรื่อยทําใหม่เรื่อยคือทําหาความพอดีของตัวเองความโล่งความปร่งความเบาสบายแต่อาการมันจะมีคือบางครั้งมันปร่งมันโล่งมันเบาสบายก็ดูมันไปเรื่อยๆยกมือไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงอย่างหละมันก็มีหายมั่ง แต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้ามันโล่งปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ความโล่งเราไม่ได้อยู่ความรู้สึกตัวแต่มันจะเข้าไปสู่อารมณ์ที่พอใจความโล่งความโปร่งจะไปอยู่กับตรงนั้นจิตจะไปเกาะอยู่กับเบาโลอารมณ์ที่โปร่งโล่งเบาสบายพอเราอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันไม่ไปไหนพอเราจิตของเราไปอยู่กับความโล่งเราก็ทิ้งความรู้สึกตัวเราสร้างความรู้สึกตัวไม่ชัดอารมณ์นั้นก็หายพออารมณ์นั้นหายเราท่องก็อ่าน เราก็คนฝไข่ก็ดิ้นรนอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งบางองค์บา ง, ง บ, บางท่านเนี่ยบางครั้งบางทีนะนะตัวนี้อาตมาเองบางครั้งเนี่ตัวอาตมาเองเนี่ยยกมือไปปวดต้นคอไปอาตมาไม่ยอมเปลี่ยนมันทีแรกๆมันก็ปวดต้นคอแหละก่อนมันก็ปวดหัวพอปวดหัวปวดหัวทื่อปวหัวทื่อปุ๊บพอเราปดนานเข้านานเข้านานเข้าปุ๊บมันก็โลง่งแต่พอมันโลง่งเสร็จปั๊บเนี่ย เวลามีคนมาพูดใส่ข้างหูหรือว่ามีเสียงอะไรกระทบทางข้างหลังปุ๊บเนี่ยอารมณ์นั้นหลุดตับแทนที่มันความโล่งนี่หายไปพอโล่งหายไปปุ๊บมีความพุ่งสร้างเข้ามาแทนความคิดรู้ว่าคิดรีบสดัดย์กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวยิ่งทํายิ่งมากยิ่งกําหนดตัวยิ่งรู้สึกยิ่งรู้สึกยิ่งมากขึ้นเพราะเราไม่ทีแรกครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีความคิดให้กลับมาอยู่ความรู้สึกตัว แต่เรายิ่งมาเจตานาที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวยิ่งมามากเท่าไหร่มันยิ่งคิดมากเท่านั้นเอ๊ะมันแปลกถ้าทำไมมันไม่หายพอนานเข้านานเ ข, า, นนเขาโกรธไปหาอีกพอเราอยู่นา น, น, นกับมันเรื่อยๆปุ๊บมันหายไปอีกถ้ามีคนมาพูดอีกหรือว่ามีอะไรมาครอบอีกก็เกิดขึ้นอีกแต่พอเกิดแต่ละครั้งแรกเนี่ยมันจะคิดน้อยๆหน่อยๆครั้งแรกจะไม่มากหรอก ครั้งสองั้างสามมาถ้าเป็นทั้งสองข้างสามถ้าเราแก้อยู่อย่างนี้ไม่บ่อยแต่เราไม่เปลี่ยนเวลาไม่เปลี่ยนอาการที่จะความรู้สึกตัวเนี่ยความยิดมันจะมากขึ้นสองเท่าตัวคิดจบไม่เป็นเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนูน้นเรื่องนี้แต่กลายเป็นพุ่งซานไปเลยบางทีเบื่อบางครั้งนี่เบื่อมันออกไม่ได้จริงๆก็เลยเออไม่ทําอะไรแล้วพอมานั่งพิกแป๊บเดียวนั่งนั่งพิงหรือว่าไม่ทําอะไรพักเบียรเนี่ยรู้สึกมันโล่งเบาสบายอาการที่คิดมันหายไป ก็เลยสังเกตว่าอ๋อพอรู้วอย่างนี้ปุ๊บก็เลยบอกก็เลยตรวจสอบตัวเองกลับไปว่าขณะนั้นเน่ะเรารู้สึกอย่างไรเราวางตัวอย่างไรวางใจอย่างไรมันถึงเป็นอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นก็เลยไปดูที่เหตุกลับพย้อนดูที่เหตุว่าเออเราวางใจอย่างนี้เองมือไปใจตามมือไปใจตามมือไปมือพิกใจพิกก็ผิดรู้บอกไม่ใช่บอกว่ารู้นะที่แรกนะพลิก ยกเข้าออกทุกจังหวะให้มือให้ใจติดอยู่ตลอดอยู่ที่กายอยู่ที่กายที่เคลื่อนนพออยู่อย่างนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าเราเอาจัดใจมาอยู่กับกายมากเกินไปมาจดจ้องอยู่กับมันมากเกินไปมันถึงเป็นอย่างเนี้ตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็ทิ้งจากสิ่งเหล่านั้นเลยพอทิ้งกลับมาเราหาใหม่ดูสิพอทํายกมือสร้างจังหวะไปสร้างจังหวะว่ามันโล่งมันเบาสบายต้นอคอก็ไม่ปวดหัวก็ไม่ถืออ้าวรู้สึกว่ามันโล่งมันเบาสบาย แต่ที่แรกก็เข้าไปอยู่กับมันเหมือนกันชอบโอ้ไม่เคยเจอนี่พอเราไม่เคยเจอปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนกับเราไม่เคยกินอาหารอร่อยๆใช่ไหมพอเราได้กินปุ๊บเนี่ยเราก็อยากชอบใชมไห ม, ไหมจิตมันก็เห็นของสภาวะที่จิตตรงนั้นมันโล่งมั่งปลงเบาสบายนั้นเน่ะเป็นสภาวะทําทเป็นอาหารของจิตจิตมันก็เลยไปแทรกเข้าไปแทรกไปกินเองไปชิมพอไปกินแล้วพอมันก็คุ้นขวาย มันมันเข้าไปปุ๊เนี่ยมันไปกินมันมันดื่มแต่มันไม่เปลี่ยนอธิยบทนะมันก็ยกมือไปอย่างนั้นพอไปเห็นอารมณ์ตรงนั้นปุบเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแป๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มจางลงจางลงความรู้สึกตัวเข้าไม่ชัดไปอยู่กับความโล่งความผงแต่ความผงความโล่งนั้นเป็นสภาวะมันไม่เที่ยงมันแปลว่าเหตุมันไม่สมดุลมันเข้าไม่เกิดเหตุมันคือความรู้สึกตัวพอรู้อ๋อเขากลับมารู้ตรงนี้ปุ๊เนี่ยกลับมา ทข้ามาอยู่ความรู้สึกตัวมาดูความรูส้สึกตัวใหม่แล้วอาการโปรง่โรงร่องเบาสบายก็เกิดขึ้นอีกก็ดูทําแล้วทำเล่าจนสมทมจนบอกตัวเองว่าอ๋อเคาอย่างนี้เหรอต้องถามตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราต้องหาสาเหติที่ว่าเพราะมันมีเหตุมันมีผลให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องไปดูเหตุว่าเราวางใจอย่างไรเรายกมืออย่างไร ตรงเนี้ยเราต้องกลมาถามตรงเนี้ยถ้าผลมันดีมันโล่งมันปลูกมันเบาสบายคือความที่เกิดจากกิจเหตุที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําตรงเนี้ยการที่เหตุของมันก็คือการยกมือสร้างจังหวะวางกายกับใจให้สพร้อมๆให้เสมอกันให้ทีแรกก็ตามดูก่อนแต่ถ้ามันเป็นของมันเองแล้วมันจะเคลื่อนพร้อมกันเลยทั้งกายกับใจมันจะพร้อมกันทุกขณะทุกขณะทุกขณะขณะถ้ามันพร้อมกันได้เมื่อไหร่พวกเนี้ยมันจะมีปิติมีปาโมตของกิจ มันก็จะเบาโล่งโปร่งเบาส บ, บายอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นแค่นั้นแต่ขณะที่มันยังไม่เป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องดูดูว่าถามดูว่ามันเราวางใจอย่างไรเราพลิกมือขึ้นเรารู้หรือว่าเราบอกมันพลิกมีสื่อสองอย่างแค่นั้นแหละเวลาโยมโยมหรือคนที่เขา้าปฏิบัติใหม่ๆก็จะชอบเอาใจมาอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวใจให้มันไปพร้อมกันแต่อาตา ม, มามามาพิจารณาดูว่าทำไม ตัวที่ว่ามือไปกับใจไปพร้อมกันปุ๊บเนี่ยเพราะว่าสภาวะหยินีดใจกับกายเนี่ยมันเร็วแตกต่างกันมากได้เกินทําไมว่ามันเร็วแตกต่างกันกายมันช้าใจมันเร็วแล้วจะให้มันอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะอึดอัดมันไม่เป็นธรรมชาติของมันมันไม่เคยอยู่เพราะมันไม่เคยอยู่ปั้บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเอามาอยู่ที่กายเมื่อไหร่มันก็จะอึดอัดเพราะว่าของมันเร็วมันเคยออกหน้าอยู่ตลอดอยู่เพราะว่าอยู่เสมอเนี่ย มันจะวิ่งออกหน้าทันทีพอหนอนมาปุ๊บเราก็พยายามดึงมันไว้ดึงมันไปดึงมันมามันเกิดการเครียดเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยเราจะให้มันอยู่พอไปพร้อมมันกับกายเลยทีเดียวนี่ไม่ได้ดึงหลวงพ่อเทียนหนึงว่ามีอุบายบอกให้ท่านบอกว่าให้กายที่เคลื่อนไหวให้ใจรู้สึกท่านบอกอาจมามาฟังเขาตัวนี้เข้าใจว่าท่านบอกว่าให้กายที่เคลื่อนไหวให้ใจรู้สึกอาตมามาเข้าใจเลยตรงนี้ตรงนี้คือ คือพูดประสบการณ์นะโยมอันตามาเข้าใจเลยว่าคำว่ากายที่เคลื่อนไวหวใจรู้สึกแต่อันตามาเขาว่ากายที่ต้องมาก่อนใจกายเป็นพวกท่านบอกว่ากายเคลื่อนไหวกายต้องเคลื่อนก่อนใจถึงรับรู้ถึงบอกว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้มันก็เลยเขาบอกว่าของเร็วออกหน้าของช้าตามหลังไม่มีสิทธิ์ที่จะทันกันได้ถ้าของเร็วออกของหน้าของของช้าออกหน้าของเร็วตามหลัง มันจะมีสิทธิ์ทันกันอาตมาก็เลยเข้าอย่างเข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจว่ากายมันช้าต้องเอาไปมนก่อนไปเป็นที่กันชนเป็นผู้นําก่อนพ่อใจมาเร็วยังไงมันก็ทันกายแต่ถ้าเอาใจออกหน้าปุ๊บเนี่ยกายยังไงมันก็วิ่งไม่ทันเพราะมันช้ายิ่งช้ายิ่งอยู่ตามหลังมันก็ไม่ทันตัวอาตมาเข้าใจอย่างนั้นพอพอมาทําแล้วเรามาทําดูว่าอ้าวลองเอากายเป็นผู้เคลื่อนดูสิใจเป็นผู้รู้ตาม รู้อย่างไรตัวเนี้ยอัตมารู้อย่างไรรู้สึกว่าขณะที่เคลื่อนสัมผัสเอาตัวสัมผัสเป็นที่พึ่งกายเคลื่อนตัวเคลื่อนมันมีอยู่แล้วแต่ตัวสัมผัสมันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันขณะอย่างแช่นโยมเอามือตบขาตัวเองมันก็เก็บใช่ไหมมันก็เกิดที่กายก่อนเพิ่งจะเข้าสู่จิตกายทําใจรู้กายทําใจรู้อัตมาก็จับอยู่อางนี้ตลอดกายทำปับ๊บรู้ปับ๊บรู้ปับ๊บรู้๊ ร, รู้รู้สิ่งที่สัมผัส รู้ทั้นั้นเนี่ยอาตมาก็ตามดูไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆตามดูกายไปเรื่อยๆกายที่มันสัมผัสแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เวลาเราเดินโยกมมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่รองเท้าพุ๊บเนี่ยมันจะมีหินกวดเล็กปวดน้อยเก็บปวดน้อมากน้อยมันก็จะมีบอกความเป็นจริงเพราะว่าขณะที่เราเดินเจ็บเท้าพุ๊บเนี่ยจิตมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องกลับมาอยู่ที่ฝ่าเท้าที่มันสัมผัสตามดูตรงนั้นไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงอย่างแค่นั้นเองแต่ละก้าแตต่่่่ละ้้าาไไมมยยดเออปทิง รู้วางรู้วางรู้วางรู้วางรู้แค่นั้นเพราะอาตมาเองอะถ้าพูดไปก็ไม่ได้มีปริยัตอะไรเพราะคนอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ออกพูดอย่างไม่อายยมธรรมะคือของจริงเรายอมรับว่าความจริงว่าเราเป็นอย่างเนี้ยเราต้องพูดความเป็นจริงว่าเราไม่มีอะไรที่จะมาบอกให้ภาษาบาลีบอะไรอาตมาจําไม่ได้พูดแล้วก็ลืมเลยพูดแล้วก็ลืมเลยพูดแล้วก็ลืมแค่แค่นั้นทําแล้วก็ลืมแค่นั้นไม่เอามีอะไรที่จะ ถ้าอ่านก็อ่านนะเวลาไปกับเพื่อนก็อ่านได้แต่เวลาอยู่คนรูปเดียวเนี่ยจะอ่านไว้ยได้เพราะมันเป็นตั้งแต่เด็กกันโรมาก็ไม่ตอนเป็นเด็กก็พออ่านออกเขียนได้อยู่แต่พอมีครั้งหนึ่งมะพาร้าวลุ่งใส่ต้นคอนี่มันก็เลยสูงประมาณห้าสิบเมตรได้ตอนนั้นสูงมากๆเลยแต่อยู่ห่างนะมันแต่มันเวลาเขาขึ้นเนี่ยช่วงนั้นเขาขึ้นเขาเขาเอาใช้เท้าใช่ไหมถีบลงอะ่ะยันลงอะ่ะ แต่มันวิ่งไปตามกิ่งมันน่ะไล่ๆไปหาเราเนินเราหันหลังให้พอดีมันตกไใจต้นคอเนี่ยตั้งแต่นั้ำมันหัวจะทื่อเลยไม่จำไม่ได้เขียนไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยออกเลยแต่ก็อาศัยตัวปฏิบัติเราไม่แมนเราที่แรกเราคิดม่าว่าเราเข้ามาถดถดเนี้ยเราจะทําเพื่ออะไรเราจะมาอะไรจะมาสวดเราก็ไม่ได้ละไม่มีทางละทําตอ น, น, นแรกๆก็มาถามหลวงพ่อนะเพราะว่าหลวงพ่อผมไม่ได้หนังสือผมตัวดได้ไหมหลวงพ่อก็ได้ ไม่เป็นไรผมส่วนมรดไม่ได้นะท่านบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติเรามีอะไรเราทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดอตมาได้จําคํางของหลวงพ่อบอกว่าเรามีอะไรได้เราทำอะไรได้ก็ทํานั้นให้มากๆทําให้มันจริงอย่าทําเล่นอตมาก็ทําจริงๆขณะที่อยู่กับหลวงพ่อสองสามปีแรกะ่ะรู้สึกว่าเกิดทำไปในขะ้อของหลวงพ่ออยู่เสมอไปตลอดแต่ภายหลังเนี้ยอตมาเองก็รู้สึก ว่าร่างกายสังขารมาอยู่ที่นี่มาอยู่ 2, สองพรรษาตั้งเบื้องต้นคู่กับอาจารย์ธงมาที่หลวงพ่อเกิดมาข้างข้างเบื้องต้นแต่พอตัวอาตมาเองมีอุ ป, อปสรรคอยู่นิดหนึ่งคือร่างกายเนี่ยอุัติเหตุคือหลังไปยกสองหลังนูน้นนะที่มันเป็นท่อแอบท่อท่ อ, ท, อที่โถส้วมอะถังส่วมอะนะมันใหญ่คนเจ็คนเนี่ยยกขึ้นแล้ววางลงเนี่ยมันมันหนักพอหลังหนักปุ๊บหลังอนตมายก พออาตมาเยอมอาตมาอยู่ไม่ไหวทํำทุ่งงานไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนทอ้อแท้แตอนนั้นไม่คือพอยก ม, มือยกคข้างหนึ่งเนี่ยถ้ายกหนักข้างหนึ่งมันจะเป็นไข่ยอยู่สองวันยกคข้างหนึ่งก็จะเป็นไข่ยอยู่สองวันสองหรือสาวันอย่างเงี้ยแต่งานที่นี่มันมากตอนที่อยู่กับอาจารย์ผงเขามากเพราะว่าไม่มีอะไรเลยต้องช่วยกันทําห้องน้ําม้องอะไรต้องทำหมดช่วยกันทํา พอหลังๆมาอาตม า, ตาสู้งานไม่ไหวเพราะว่าสังขารมันไม่ใหม้มันเริ่มปวดในขณะนี้ยังปวดอยู่เลยโยมปวดยังปวดหลังอยู่เพราะว่านั่งอย่างเงี้เริ่มปวดละเพราะว่ามันก็ อ, อตาตมาก็เลยเหมือนกับหนีงานหนีจากครูบาอาจารย์ไปเพราะว่าอยาไปรักษาตัวเองด้วยพอไปรักษาไปรักษาตัวเองก็มันก็ไม่เป็นรักษาอะไรเรากอาไปดูไปหาหมอ <ๆ S 1> เขาเขาก็<ๆ>ไปดูที่ไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่รู้สึกว่ามันยกของหนักแบบของประมาณทักห้ายี่สิบโลหรือสิบกว่าโลขึ้นไปเนี่ยมันจะแบกไม่ไหวละแต่แต่ถ้าทําอย่างอื่นก็ทําได้แต่จะแบกหลังกๆของหนัหนกๆที่จะไม่ได้แต่าย่าไดเนี่ยทำได้อยู่ของที่เบาๆนะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่แบกไม่หนักไม่แบกมีการแบกการหามเนี่ยจะไม่เป็นไรถ้าแบกครั้งหนึ่งก็เก็บครั้งหนึ่งแหละเป็นค่ายอยู่สองสามวันเพราะตัวตัวอาตมาเลยก็เลยออกก็ไม่ค่อยได้กลับมาอยู่ที่ตรงนี้ ก็เลยให้อาจารย์พงศ์ปล่อยให้อาจารย์พงศ์สู้คนเดียวไปเพราะอาตมาก็ถือว่าเห็นเก่ตัวอยู่นิดนึงถึงอุบาอาจารย์ฝากเอาไว้แต่อาตมาก็ไม่เข้ากลับมาเพราะร่างกายของอาตมายังไม่สมบูรณ์พอที่จะมาสู้งานอยู่นี้เพราะร่างกายไม่ค่อยไหวรู้ว่าสุขภาพร่างกายรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่สมบูรณ์พอที่จะมาตอนนี้เมื่อก่อนโอเคมันสู้ได้พอมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังมันย่อพอมันลามันย่อพวกนี้ยกลงวางนี่มันจะดังกวนเลยเลยครับ พอรังพุ่งเมัเริ่ปวดนั่งนั้นมาเลยมันไม่หายรักษาตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังปวดอยู่ยังใส่อะไรบล็อกเอลอยู่เพราะว่าก็แต่แต่ก็ทํามันดาลก็เห็นมันเก็บมันปวดบางครั้งถ้าเราไม่ไปอยู่กับมันการปวดมันก็เป็นแค่ว่างกายมันปวดถ้าใจไม่ปวดมันก็ไม่เป็นไรมันก็จะไม่รุนแรงถ้าเราเอาใจเข้าไปอยู่ร่วมถ้าเราไม่แยกออกจากกันเนี่ยมันก็จะ อันเดียวกันพวกเนี่ยเราจะปวดมากสองเท่าสามเท่าตัวมันจะปันทอนจิตใจของเราแต่ถ้าพอมันเจ็บมาพวกมันก็จะออกตัวมันเองแล้วหรอกเพราะว่าจิตมันอยู่กับกายที่ตลอดมันเห็นตามดูกายอยู่เสมอมันก็จะออกตัวมันเองอันนี้แหละเพราะอาตมาเพิ่เข้ามาอยู่จุดนี้ก็ถือว่าอาตมาก็มีการกระทําเท่านั้นเพื่ศรัทธาศรัทธาในหลวงพ่อศรัทธาในคำหลวงพ่อเทียนที่บอกให้ให้รู้สึกตัวเพราะอาตมาก็อยู่ได้เพราะความรู้สึก ตั้งแต่นั้นมาโยมอาตมาไม่เป็นอะไรเลยที่อาตมาไปเป็นเป็นศยาศาสตร์ที่เขาว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่หมดตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยไม่ไม่มียารักษาแต่ก็หายโดยอัตโนมัติเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เป็นเลยก็มีชีวิตอยู่ได้ก็ก็หลวงพ่อเทียนนี่แหละยกมือถ้สร้างจังหวะ น, นี่แหละเพราะว่าคิดว่าตัวเนี้จะเป็นชีวิตของเราเลยตื่นมาเราก็รู้สึกละ รู้สึกตื่นพลิกหลับตาอ้าปากเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกว่าเราตื่นแล้วนะจะฆ้าห้องห่มเนี่ยเราก็รู้เคลื่อนไหวเก็บมุ้งเก็บหมอนเนี่ยสัมผัสอะไรก็เรารู้หมดรู้ตามดูตามดูตามดูจืตลอดตามดูกายเราตลอดเราก็ไม่ไปดูอะไรเราไม่รู้อะไรหรอกเพราะตัวอาตมาไม่รู้อะไรเลยแต่อาตมารู้ตัวเองรู้ว่าขณะนี้กาลังนั่งอยู่เนี่ยเมืม่อกี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ มีใจที่จะเห็นว่ามันมีความสั่นแล้วก็มีพูดอย่างเร็วเพราะมันไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไปุเพราะอาการใจมันัไม่ปกติมันก็เลยพูดไปตามจับหน้าชนหลังกับคนหน้ามันก็ไม่ค่อยถูกเพราะว่าสภาวะจิตมันไม่เที่ยงยังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจิตมันเริ่มนิ่งการพูดก็จะเบาลงไม่เร็วเหมือนเมื่อกี้แต่สภาวะทางกายก็รู้สึกว่าปวดหลังเริ่มปวดหลังแล้วอาการปวดก็เริ่มมี แต่เราขณะนี้จิตของเราไปอยู่ที่ไหนมากก็ไปอยู่การฟังการพูดมากกว่าแต่ไม่สนใจการฟังไม่กระพนกายการกายมันก็เลยปวดไม่มากเพราะว่าการพูดมันต้องใช้สติมันต้องไปอยู่ที่การพูดแต่ขณะที่การพูดเราต้องถ้าเราพูดไปโดยที่ถูกไม่ถูกก็ไม่กุบากานคงไม่ว่าเพราะว่าผูกประสบการณ์ ว่าตัวมาเองก็อาศัยตัวเนี้ยอยู่กับการเคลื่อนในไหวไปตลอดเนี้ยแต่จะดูเห็นความเป็นจริงจะรู้ตัวเองจะไม่รู้คนอื่นนะจะไม่รู้ทำบางอื่นกับอาตมาก็ไม่รู้ แต่อาตมาจะรู้ตัวเองว่าอาตมาขนาดนี้นั่งเหนื่อยเจ็บเริ่มเจ็บหลังขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกอยู่ว่ามันร้อนร้อนตรงสันหลังเนี่ตรงเอวเนี่ยมันรู้สึกมันร้อนแบบๆละอันนี้คืออาการของการอาตมารู้ตัวเองแค่นี้แต่จะแก้ไขก็ลุ้หรือว่านั่งพิงซะหน่อยมันก็หายแต่มันก็โทษเราแต่ไม่หายนะมันก็นิดหน่อยก็เป็นเวทอาการรู้เวลามันชิดมาอาตมาก็รู้ว่าตัวเองคิดคิดอะไรพอใจไหม ที่มันคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเป็นอดีตหรืออนาคตถ้าเป็นอดีตขณะที่มันเป็นอดีตปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอดีตอันนั้นมันมาอย่างไรพอเปิดเองปุเราดูมันแต่ถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บมันก็จะหายไปบางครั้งเนี่ยเราเห็นมันแล้วออกมันรู้มันปั๊บเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกหรอกบางครั้งมันเข้ามาถ้าเราถ้าบางครั้งนี่ถ้าความคิดเกิดขึ้นปั๊บเราดูรู้ทันมันปั๊บเนี่ยรู้วันนปั๊บเนี่ยดูมันไปดูมันไปดู อันนั้นแต่เราจะอึอดอัดเราเราจะสลัดทันทีแต่พอสลัดเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกละอารมณ์ตัวนั้นเน่ยแต่มันไม่หายแต่ถ้าเรารู้มันอ๋อเมื่อไรเนี่ยมันจะผ่านออกจากกิจเรามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบางครั้งเนี่ยเป็นวันนี้มีอะไรกระทบทางกายวันเนี้ยทางใจวันเนี้ยวันนี้ดีใจกับใครใครพูดอะไรให้ดีใจปับ๊บพอมาออกจากเพื่อนมาแป๊บหนึงมันจะผุดขึ้นให้เห็นพอผุดข้นให้เห็นพวกเป็ความดีใจถ้าเรามีสติไปดูปันนี่ยมจจะจาง แต่ถ้าเราไปปรุงแต่งตอบไปพอใจคําพูดของเขาอยู่ปุ๊บเนี่ยถ้ามันดีอย่างนั้นนานเข้านานเข้าแต่มันมีหรือมันลงไปพอมันหลุดไปปุ๊บสักพักหนึ่งอารมณ์นั้นจะขึ้นเกิดขึ้นอีกแหละความคิดเก่าๆในที่ได้จินสัญญาเก่าๆจะพุดขึ้นให้อีกพอผลขึ้นดูปั๊บเราดูไปอีกพิจารณาดูอีกถ้ารู้ว่าไม่พิจารณาแค่เอาตัวสติไปตามดูแค่นั้นมันก็จะหายไปถ้ามันหายไปปุ๊บมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกคิดของเรามันก็จะเบาสบายโล่งปรงเบาสบายอยู่อย่างเนี้ย ถ้ามันมีอึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตพราดิ่งมันจะเห็นทันทีทางกายเกิดขึ้นมันก็จะเห็นทันทีแต่เห็นแต่มันไม่ไปอยู่ร่วมมันแค่ดูเห็นเป็นอาการของกายและใจแต่เราเป็นผู้ดูดูอารมณ์นั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่แต่วังครั้งถ้าจิตของเรามันอ่อนมันก็เข้าไปผูเป็นอยู่แต่ขณะที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ย ตัวขณะที่มันเป็นรู้ว่ามันเข้าไปเป็นแต่ไม่ไม่เป็นกับมันไปดูอาการไม่ปรุงแต่งแต่ไปดูอาการที่มันเป็นเอาจิตไปรับรู้อาการที่เป็นไปดูตัวที่เป็นเป็นอาการมันเป็นเป็นอย่างไรโดยมันกระทบแไปมันไม่เป็นอย่างเช่นมันไปพอใจเกิดขึ้นหนป่ะมั้ยพรอเลยพอใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราไปร่วมพั๊บเนี่ยไปปรุงแต่งมันไปพอใจกับมันปั๊บเนี่ยแต่เราไม่ไม่ปรุงแต่งต่อละแต่ไปดูหยุดหยุดการปรุงแต่งแต่ไปดูอาการที่กระทบทางกาย ใจมันตัเต้นระรั ว, รวๆๆๆๆๆๆอ้าวเห็นอาการกายแล้วหายใจไม่สะดวกละอ่าเริ่มใจมันบีบตัวเองละอ้าวเราไปดูตัวนั้นปุ๊บความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปทันทีพอมันเป็นอย่างนี้อตาตมาก็จะดูเห็นอาการอย่างนี้ บ, บ่อยๆแล้วมันก็จะห า, ห, า ห, าหายไปหายไปหายไปหายไปแล้วมันไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรก็คือมันก็มีเกิดแล้วมันก็ไปมันก็เกิด แ, แล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไปแต่สิ่งเหล่านั้นแค่ทําให้เรารู้แต่ถามว่ามีโกรธไหม โกรธไหมมันก็มีนะโยมโกรธแต่มันไม่ไปอยู่ในโกรธมันแค่รู้ว่าโกรธแค่นั้นเองมันก็จบไม่พอใจมันก็รู้ว่าไม่พอใจมันก็จบแต่มีมีอาการเกิดขึ้นจากจิตมีเห็นเป็นทุกอย่างมีหมดแต่มันไม่มีกําลังที่จะทําลายจิตของเราที่จะไปอยู่กับมันแค่นั้นเองที่อาจรมาพูดไปวันนี้ก็พูดประสบการณ์หรือว่าเป็นความ ความจริงของอัธมาที่พูดแต่มันจะผิดจะถูกขอให้ครูบาอาจารย์ชี้แนะเพราะว่าจะได้นำไปใช้เพราะว่าถ้าไหนสิ่งที่ไม่ควรไม่สมบูรณ์ที่ไม่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ครูบาอาจารย์ชี้แนะจะนำไปปฏิบัติเพื่อจะให้หลุดพ้นไม่หลุดพ้นอะไรก็ให้แค่มีความสุขอยู่ไปกับญาติโยมไปตลอดกว่าจะถึงวันนั้นเนาะ เขาคิดว่าเป้าหมายก็คือต้องการอยากอยู่ถึงที่สุดของชีวิตว่ามันจะถึงเป้าหมายของมันคือที่สุดของชีวิตคืออะไรก็อยากจะไปเห็นจุดนั้นการพยายามจะทําอยู่ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็นี่ไม่คือไม่ทิ้งความรู้สึกตัวมีอะไรก็ต้องกลับมาอยู่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกตัวเท่านั้นเพราะว่าการรู้สึกตัวเรื่อยไปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะมันตัวนี้มันจะทําให้เป็นคุณแก่ที่จะไข หัวใจของเราที่เราที่ไม่เข้าใจมันจะเห็นมันจะ ส, สิ่งนี้มันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะเราต้องอาศัยอยู่ตัวนี้สเสมอว่าเป็นชีวิตจิตใจของเราเลยว่าการที่เคลื่อนไหวนี่เป็นชีวิตของเราเลยเราต้องรู้ว่าใจต้องอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาถึงมันจะไม่นานแต่มันก็ขอให้มันอยู่ได้ได้ทุกขณะทุกขณะก็ได้ก็พอแล้วอาตมาก็ต้อง ขอให้ญาติโยมต้องมีความสุขความเจริญไหนสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่สมควรไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็ปล่อยมันทิ้งไปที่มันไม่ดีแต่อันนี้เขาเฝ้าโทษสู่กันฟังภาษาอีสานออกไกรไม่ใช่เลยโอ้ยโอ้ยมันดั่งพุทธบดาเนาะคนบานเท่ามันมัเวลาบอกเล่ามันคือบอกดีอยู่หรอกขอให้ญาติโยมต้งมีความสุขความเจริญเนาะให้เขาเห็นทําได้เร็วๆเขาเห็นจากของงานเนาะ